วิสุทธิมรรคหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสองข้อสี่ร้อยเจ็ดข้อเจ็ดร้อยสี่สิบในข้อสี่ร้อยเจ็ดสิบนี้ได้กล่าวถึงอนิจจังอริจยลักษณะทุกขังกับทุกขลักษณะอนัตตากับอนัตตลักษณะอันนี้จังกับอริจยลักษณะนี่ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะทุกขังกับทุกขลักษณะก็ไม่เหมือนกันอนัตตากับอนัตตลักษณะก็แตกต่างกัน ก็พูดแบบวัวกับลักษณะของวัว น, นี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนีนก็เหมือนกันอ น, นิจจังกับลักษณะของอ น, นิจจังก็ไม่เหมือนกันออธิบายว่าในการจําแนกขันห้าเนี่ยนะขันห้านั้นอ่ะเป็นตัวอนิจจังว่าอตัวตัวไม่เที่ยงก็คือตัวขันห้า ขันท่านั่นแหละคือสิ่งที่ไม่เที่ยงถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าความความเกิดขึ้นความเสื่อมไปและความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมีเพราะมีแล้วก็กลับไม่มีตัวขันท่าเนี่ยที่ที่จะเขาไม่มีแล้วมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็เสื่อมเสื่อมแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมีแล้วก็ไม่มีอันนี้ลักษณะของไอ้ตัวขันท่าจริงๆแล้วเขาเป็นแบบนั้น คือตัวที่ไม่เที่ยงอ่ะนะตัวที่มีความเปลี่ยนไปตัวที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา <c oughs> ส่วนอนิจจาลักษณะเป็นยังไงสภาวะภาวะที่เกิดขึ้นเสื่อมไปและความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นหรืออาการที่ผิดแปลกไปกล่าวคือภาวะที่มีแล้วกลับไม่มีเชื่อว่าอนิจจาลักษณะเหมือนคิดยังไงหนึ่งก็เหมือนกับว่าโค ลักษณะโคเนี่ยมันมีอยู่สามสีใช่ไหมสีขาวสีเหลืองสีแดงอย่างเงี้ยนะตัวโคกับลักษณะของโคนี้ไม่เหมือนกันคือลักษณะเครื่องของโคเนี่ยมันประกาศให้รู้ว่าโคโคตัวเนี้ยเป็นของใครแต่ตัวโคก็คือโคเปรียบเหมือนขันห่าลักษณะของโคก็เหมือนกับอันนี้จ่ลักษณะเป็นต้นอืม ตัวหม้อกับลักษณะที่ความร้าวของหม้อเป็นต้นเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเดี๋ยวเหมือนกานขันห้าตัวอนิจจังคือตัวขันห้าตัวลักษณะที่ไม่เที่ยงนั้นอ่ะเป็นเครื่องหมายของขันห้าลักษณะตัวนี้แปลว่าเครื่องหมายก็ได้เครื่องหมายของขันห้าที่มันไม่เที่ยงคือตัวขันห้าจริงๆอ่ะมันไม่เที่ยงหรอกแต่การที่จะรู้ว่าขันห้าไม่เที่ยงมันต้องมีเครื่องหมายมีลักษณะ ไปบอกให้รู้ว่าลักษณะของขันห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเพราะบาลีว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขันห้านั่นแหละชื่อว่าทุกข์ขันตัวทุกข์ก็คือตัวขันห้าเพราะเหตุไรเพราะมีความถูกบีบคั้นหนึ่งๆขันทุกขันเนี่ยถูกบีบอยู่ตลอดเวลานะอาการที่ถูกบีบคั้นหนึ่งๆเชื่อว่าทุกขลักษณะ ท, นะทุกขลักษณะ ลักษณะที่มันดูแล้วมันงี้ก็ได้ว่าอันนี้จังเนี่ยเป็นสภาวะของขันห้าอันนี้จ่าลักษณะนี้เป็นอารมณ์ของปัญญาขันห้าที่ไหนก็ตามขันห้ามันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละผู้มีปัญญานี้เข้าไปเห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงของขันห้าตัวขันห้าที่ไหนก็คือตัวทุกนั่นแหละปัญญานี้จะเข้าไปเห็นทุกขลักษณะคือลักษณะของ ขันห้าที่เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์กันนะส่วนสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนนี่นะขันห้านั่นแหละชื่อว่าเป็นอนัตตาคือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุไรเพราะไม่เป็นไปในอำนาจอาการที่ไม่เป็นไปตามอำนาจนี่แหละเชื่อว่าอนัตตลักษณะนี่นะเช่นรูปเป็นอนรูปเป็นอนัตตา เพราะความที่รูปเป็นอนัตตานั่นแหละรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เธอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพรา ะ, ะสภาวะเออาการที่ไม่เป็นไปตามอำนาจนั่นแหละเรียกว่าอนัตตลักษณะเนี่ยนะตัวตัวอนิจจังทุกขังตัวอนัตตานี้ก็คือตัวขันห้าเพั้นลักษณะของขันห้าเนี่ยนะ เช่นลักษณะที่สิ้นไปเนี่ยคืออนิจจารักษณะลักษณะที่เป็นภัยนั้นคือทุกขลักษณะลักษณะที่ไม่เป็นไปตามอำนาจหรือหาสาระไม่ได้อันนั้นแหละเป็นอนัตตลักษณะของขันห้าลักษณะนั้นใช้กับอ อ, อารมณ์ของผู้มีปัญญาคือผู้มีปัญญาเข้าไปเห็นอนิจจ์อนิจจารักษณะเข้าไปเห็นทุกขลักษณะเข้าไปเห็น อนัตตาลักษณะส่วนอนิจจังทุกขังอนัตตาคือตัวขันห้าเนี่ยใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามขันห้าก็เป็นขันห้าอย่างนั้นวันอย่างค่ําแต่ถ้ากล่าวอนิจจาลักษณะทุกขลักษณะอนัตตาลักษณะนั้นแปลว่าเครื่องหมายของผู้มีปัญญาเข้าไปเห็นเขาเข้าไปเห็นว่าเออลักษณะไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอนัตตาเป็นอย่างนี้พระโยคาวาจรนี้ย่อมกําหนดถึงลักษณะสาม และขันห้าแม้ทั้งหมดนี้นั้นโดยสภาวะของตนตามความเป็นจริงสภาวะของขันห้ารูปมีสภาวะอย่างไรสลายไปเวทนาเสวยอารมณ์สัญญาหมายรู้ในอารมณ์สังขารปรุงแต่งอารมณ์วิญญาณรู้แจ้งอารมณ์ลักษณะที่ไม่เที่ยงของขรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ลักษณะที่เป็นทุกข์ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลักษณะความเป็นอนัตตาของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณผู้ที่มีปัญญาพิจารณาเหตุเกิดความดับด้วยอุทยพยานุปัสนาญาณที่พ้นจากอุปกิเลสแล้วนี่ชื่อว่ามีปัญญามากปัญญาสามารถวิจัยขันธ์ห้าพร้อมทั้งเหตุเกิดความดับขันธ์ห้าทวนอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่เห็น อนตัตตลักษณะนี่คือรู้เหตุเกิดรู้เกิดดับโดยปัจใจ น, นะรู้เกิดดับโดยปัจจัยถ้าอ น, นิจจาลักษณะกับทุกขลักษณะเรียกว่ารู้โดยรู้โดยขณะฉันใครที่สามารถพิจารณาอย่างนี้จิต ด, ดําเนินแล่นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาขันธ์ห้าโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ไปเรื่อยๆวิปัสสนาก็เดินทาง เดินทางเลยนะวิปัสนาคือว่าเดินไปตามวิถีทางของอปฏิปทายาณทัศนวิสุท ธ, ธินี่ก็มาขึ้นวิปาาัสนาญาณต่อไปคือพังคานุปาานัสนาญาณพังคาพังคะตัวนั้นก็พังนะั่นแหละพังแบบภาษาไทยก็ไม่ไม่ผิดอะไรนะปัญญาที่ตามเห็นโดยความพังอย่างเดียวแต่นี้หมายความว่าเขารู้วิธีก่อสร้างเป็นอย่างดีแล้วนะจึงรู้จึงรู้ความพัง ไม่ใช่เกิดมาก็ตามแช่งวาเ อ, อ้นี่ก่อนเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงเดีวก็ไม่เที่ยงเดียวก็ไม่เที่ย ง, ย ง, ยงนั้นพังคานุปัสนาญาณนั้นไม่ใช่ตามแช่งนะนะแต่รอบรู้เป็นอย่างดีนั่นนะเมื่อพระโยคาวจรนั้นกําหนดอย่างนี้แล้วไตรตรองพิจรารณาอยู่ซึ่งรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอยู่ บ, บ่อยๆญาณนั้นก็จะเป็นธรรมชาติแข็งกล้านําไป นนหมายถึงว่าเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับหัวสว่านที่คมอ่ะนะที่แข็งและคมแล้วก็เจาะลึกได้หรือเหมือนหอกที่คมพิ่มแทงเจาะลึกไปได้นีนถ้าหากว่าปัญญานี่เล่นไปโดยความเป็นอนิจจังอย่างชำนิชำนาญตามหลักการตั้งแต่สัมมสนาญาณอุทยพย า, ยานมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะสังขารทั้งหลายก็จะปรากฏว่าเป็นของรวดเร็ว เลยนะปรากฏได้เร็วพลันไหมครับว่าจริงๆแล้วอายุของสังขารมันก็สั้นอยู่แล้วละ่ะแต่ก่อนหน้านี้ปัญญาไม่ได้เข้าไปเห็นว่ามันมันสั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมันหยาบ่ะนะมันหยาบอ่ะเพราะความที่ปัญญาไม่มีกําลังมันก็เลยไม่เห็นสังขารที่ละเอียดสังขารที่เกิดดับอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ศึกษาธรรมะใหม่ๆก็พยายามจะตามให้มันเห็นเร็วแบบนี้ดีไหมก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องศึกษาลำดับยานให้ดีไม่ใช่วะหยาบๆก็ยังไม่เคยพิจารณาเลยนะก็มาจะพิจารณาเอาละเอียดยิบเลยก็ไม่ใช่เมื่อยานแข็งกล้านำไปเมื่อสังขารทั้งหลายปรากฏได้เร็วพลัน ยานก็จะไม่ประสบอุ ป, ปาทะหรือทิฏฐิหรือปวัตตะหรือนิมิตตะสติย่อมตั้งมั่นอยู่ในความดับไปนะในความดับอันตางโดยความสิ้นไปและความเสื่อมไปเท่านั้นคือธรรมชาติของสังขารเนี่ยนะถ้าอย่างใครที่พิจารณาพวกรูปรูปแต่ละสมุทฐานแต่ละสมุทฐานว่ารูปสมุทฐานเนี่ยมันมีความเกิดเป็นอย่างนี้มีความตั้งอยู่อย่างนี้แล้วก็มีความ ดับไปอย่างนี้สิ้นไปอย่างนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าอาหารชรูปเวลาเกิดขึ้นก็คือเวลาบริโภคเข้าไปใช่ไหมเวลาบริโภคแล้วก็ความอิ่มก็คือขณะเหมือนตั้งอยู่อีกหน่อยเดี๋ยวก็หิวอีกละวอีกหน่อยเดี๋ยวก็หิวอีกล้วพันก็เวลาดื่มน้ํามาแก้วหนึ่งก็อิ่มอีกพกะอ่นะได้ได้ดื่มอิ่มอยู่พักหนึ่งเดียวก็เดียวก็หิวอีกลยแงไง ทีนี้ต่อไปก็มาใส่ใจเหลือแต่ไอ้ไอขั้นสุดท้ายคือเหลือแต่ความหิวเหลือแต่เดี๋ยวก็หิวอีกแล้วเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วลักษณะนี้ก็เลิกว่าถึงกินอีกก็กินเพื่อหิวนั่นแหละกินประทางความหิวไปเท่านั้นเองอส่วนจิตตชรูปก็เหมือนกันนะจิตตชรูปเหมือนกันอย่างไรจิตตชรูปอพอได้เหตุได้ปัจจัยได้วัตถุได้อารมณ์ความคิดที่เป็นโสมนัสก็เกิดขึ้นพอโสมนัสเกิดขึ้นรูปอันนั้นก็ตั้งขึ้น พอหมดเหตุปตัตยัจจัยความโสมนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หมดไปแต่ว่าปัญญาระดับนี้เนี่ยไอ้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยนีย่ชำนาญอย่างมั่นคงอยู่แล้วไม่มีคําว่าสับสนไม่มีความสับสนในเรื่องปัจจัยเรื่องอะไรเลยรู้กระบวนการเกิดของของรูปเหล่านั้นเป็นอย่างดีรู้ความเกิดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นเป็นอย่างดีจนดูหมิ่นได้เลยว่ามันก็ไม่เที่ยงอะ่ะ ก, ก็ตามเห็นแต่ความเปลี่ยนไปเห็นแต่ความแปรปรวนไป จนไม่ไม่สนใจช่วงอุปาทาคือช่วงเกิดน่นะทิติหรือปะวัตตะหรือนิมิตตะอันนี้ก็สิ่งเดียวกันน่ะนะสติย่อมตั้งมั่นอยู่ในความดับอันต่างโดยความสิ้นไปเสื่อมไปแปรไปเปลี่ยนไปเท่านั้นเองเมื่อพระโยคาวาจร น, นั้นเห็นอยู่ว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นแลสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขารดังนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ย่อมดับไปอย่างนี้ มันก็เกิดอย่างนี้มันก็ดับไปอย่างนี้นะอย่างจักรคูวิญญาณมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ดับไปอย่างนี้โสตวิญญาณเกิดอย่างนี้แล้วก็ดับไปอย่างนี้คานาวิญญาณเกิดอย่างนี้ดับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็เข้าใจความเกิดแล้วก็ความดับไปแล้วในที่สุดก็สิ่งเหล่านี้ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปเนี่ยนี่ปัญญาก็ดำรงอยู่มันมีความสามารถรู้แต่ความดับไปอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ไม่ใช่ท่านไม่รู้ความเกิดปัญญานี่มันเนื่องด้วยอาวัชนะอันนอาวัชนะให้เห็นความเกิดมันก็เห็นความเกิดอาวชนะไปเห็นความเสื่อมมันก็เห็นความเสื่อมอนนะอาวัชนะให้เห็นความตั้งอยู่มันก็เห็นความตั้งอยู่เพราะปัญญาตัวเนี้ยอาวัชนะเก่งมากนนะเพราะว่าไอ้ตัววิอุปกิเลสที่ที่พูดที่ผ่านมาเนี่ยนะอุเบขาอุเบขาอาวชัชโนเบขา อาวัชนะตัวนั้นเนี่ยชนานาญมากๆเลยชนานาญอย่างอย่างที่กล่าวตอนเช้า ว, ว่าคนที่ชนานาญในเรื่องศีลเนี่ยคิดอะไรก็เป็นศีลไปหมดเลยอันนั้นคือความชนานาญในเรื่องศีลคนที่เจริญเมตตามากๆคิดอะไรก็เป็นเมตตาไปหมดอะคนที่เจริญมรณานุสติมากคิดยังไงก็เป็นไปกับมรรนาุสติคนที่เจริญวิปัสนาอบรมปัญญามามากเห็นอะไรก็เป็นไปตาม เพราะพื้นฐานการทําปริญญามาเป็นอย่างดีวิปาาัสนาญาณชื่อว่าพังคานุปาานัสนาญาณนี้ย่อมเกิดขึ้นในฐานะนี้ฐานะที่ตามเห็นแต่ความแปรไปเสื่อมไปเนี่ยนะทีนี้ท่านก็ยกข้อความในปฏิสัมพิธามัทที่พระสารีบุตรเทระกล่าวไว้ว่าถามว่าปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วตามเห็นความแตกดับไปชื่อว่าวิปาาัสนาญาณเนี่ยเป็นอย่างไร คำว่าวิปัสสนาญาณตัวนี้นี่เห็นอะไรเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์เ น, มเนี่ยโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไปแล้วก็ตามเห็นความแตกดับไปแห่งจิตอันนั้นต่ออีกครั้งหนึ่งอันนี้แหละชื่อว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยถามว่ามันเป็นอย่างไรแต่ว่าจิตมีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมแตกดับไปพระโยคาวจรพิจารณาอารมณ์นั้นแล้วก็ตามเห็นความแตกดับไปแห่งจิตนั้น ตัวนี้ปัญญาท่านท่านคมมากเลยนะว่าตามเห็นอารมณ์ว่าเช่นตามเห็นรูปปัะขันเป็นอารมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือตามเห็นอารมณ์ด้วยอนุปัสนาเจ็ดเสร็จแล้วก็ตามเห็นจิตอันนั้นแหละด้วยอนุปัสนาเจ็ดซ้ำอีกครั้งหนึง่งนึกไม่ใจโหทาได้ไงนะแสดงว่าจิตใจของท่านสงบประณีตลึกซึ้งมากคาว่าตามเห็นถามว่าตามเห็นอย่างไร ตอบว่าตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นอนุปัสติเนี่ยนะอนุปัสติติอะก็คืออนุปัสีนั่นแหละอนุปัสสีอนุปัสติอนัทอนุปัสติเป็นชื่อของปัญญาอนุปสีก็คือผู้มีปัญญาตามเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นเพราะในคำว่าตามเห็นก็คือตามเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นว่าเที่ยงตามเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ตามเห็นว่าเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตามเห็นว่าเป็นอัตตา ย่อมเบอร์นายไม่ใช่เพลิดเพลินย่อมคลายกำหนัดไม่ใช่กำหนัดย่อมทําให้ดับไปไม่ใช่ทําให้เกิดขึ้นย่อมสลัดทิ้งไปไม่ใช่ยึดถือเอาไว้อันนี้นะอันนี้คือเห็นอารมณ์โดยอนุปัสนาเจตเนี่ยนะแล้วก็ตามเห็นจิตอันนั้นอีกครับโดยอนุปัสนาเจตซ้ําอีกครั้งหนึ่งนนก็ทุกอารมณ์แล้วเป็นอย่างนี้หมดนะเชื่อได้ไหมว่าบรรลุแนะ่ถ้าทําได้อย่างนั้นจริงเชื่อเนาะความเชื่อกับการทําคนละอย่างนะ อาอธิษฐานนะสักวันหนึ่งก็ต้องเอาให้ได้นะสักวันหนึ่งจะต้องเจริญอย่างนี้ให้ได้แน่ตามเห็นรูปโดยอนุปัสนาเจแล้วต้องเห็นจิตนั้นโดยอนุปัสนาเจด้วยนะแต่ยังไงยังไงก็อย่าลืมเรื่องกรรมก็แล้วกัน <c oughs> บางทีนัไปไ ข, ขว่คว้าระดับสูงมากเกิน <c oughs> ต่อไปว่าพระโยคาวจรเมื่อตามเห็นว่าไม่เที่ยงย่อมละนิจจะสัญญาได้ เมื h, la, yep ่อตามเห็นว่าเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อตามเห็นว่าเป็นอนัตตาย่อมละอัตตะสัญญาได้เมื่อเบื่อหน่ายย่อมละนันทิได้เมื่อคลายกำหนัดย่อมละราคะได้เมื่อทําให้ดับย่อมละสมุทัยได้เมื่อสลัดทิ้งไปย่อมละความยึดถือได้มันอนุปัสนาเจตนี้ใช้กับพังคยานนี่นะอนุปัสนาเจตนี่ยเริ่มใช้จริงๆในพังคานุปัสนาญาณนั้นอนุปัสนาเจตนั้น ก็คือตัวอะไรนะตัวสติปัฏฐานใช่ตัวตัวสติปัฏฐานภาวนาที่มีขันเป็นอารมณ์นะตัวอนุปัสนาเจเนี่ยเป็นเป็นธรรมชาติที่มีกำลังเป็นประานะปริญญาถ้าหากว่าตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงความสามารถนีละการตามเห็นละนิจจะสัญญาได้ท่านบอกว่าสัญญาตัวนั้นเนี่ยวิปลาสปกติมีกี่ตัวนะวิปลาสมีสามคือหนึ่ง สัญญาวิปลาสสองจิตตวิปลาสสามทิฏฐิวิปลาสีนยกสัญญาวิปลาสขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะในขณะเดียวกันถ้าเจริญอนิจจานุปัสสนาก็ละทั้งสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสมันก็มีรูปเป็นอารมณ์โดยอนุปัสนาเจทีนี้ถ้ามีเวทนาเป็นอารมณ์โดยอนุปัสนาเจบ้าง จิตมีเวทนาเป็นอารมณ์โดยอนุปัสนาเจ็ดมีสัญญาเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์มีวิญญาณเป็นอารมณ์มีจักขุเป็นอารมณ์จักขุก็ต่อด้วยอะไรตาหูจมกกูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธพธรรมรมวิญญาณหกภาษะหกเวทนาหกอ่ะนะอะไรอีกวิจารณหกเป็นต้นให้ไปดูหน้านั้นกว่าน้าจะสิบสี่นะคนที่เรียนไม่ทันจะได้ดูเห็นว่า หน้าเจ็ดสิบสี่โน่นนะ่ะไอเป่่นนะนะ่่่่่่่่่่่่่่่่่คุ่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่ร่่่่่่่่่่่่ น, นะรร201 น, น, น, น่่นนะ่่่่ยย่่่่นะ่่่่่่่่ย่่า่ท่่่่่่่่่่่่า่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไม่ใช่เห็นโดยความเป็ น, น, ปนส่่่่่่่ง่่นนะ่ะ ก็อนุปัสสนาเจ็ดในธรรมะสองร้อยหนึ่งแต่ทีนี้เน้นคําคําที่เป็นโลกุตระเอาออกไปเอาเฉพาะโลกิยะเนี่ยนะในที่สุดก็มีชารามรณะเป็นอารมณ์ชารามรณะเป็นอารมณ์ก็คือเห็นชารามรณะโดยอนุปัสสนาเจ็ดแล้วก็เห็นจิตที่มีชารามรณะเป็นอารมณ์นั่นแหละโดยอนุปัสสนาเจ็ดอีกครั้งหนึ่งนี้ท่านก็ประพันธ์เป็นคาถาว่า การพิจารณาอารมณ์ที่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุได้ด้วยมีการหยุดสัญญาได้ด้วยมีกำลังในอันนึกหน่วงด้วยชื่อว่าปฏิสังขาวิปัสนาอ น, นโอตัวนี้ลึกซึ้งใช่ไหมงพราะไการพิจารณาอารมณ์ที่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยมีการหยุดสัญญาได้ด้วย มีกําลังในอันนึกหน่วงด้วยมีสามด้วยด้วยกันนะมีสามจะว่ากันเถอะเนี่ย น, นะเจวะจะเจวะนี่ย น, นะมีสามจะด้วยด้วยตัวนั้นมาจากจะสับทวนอีกครั้งว่าการพิจารณาอารมณ์ที่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุหมายถึงการเห็นความแตกดับแห่งรูปแล้วก็เห็นความแตกดับแห่งจิตด้วยอะนนเะรียกว่าพิจารณาอารมณ์แล้วก็ย้ายไปที่จิตอีกครั้งหนึ่ง มีการหยุดสัญญาได้ด้วยหยุดสัญญาไหนหยุดการพิจารณ า, าหมายถึงการพิจารณาที่ไม่พิจารณาความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แต่พิจารณาแต่ความเสืออเเส่อมอย่างเดียวเรียกว่าหยุดสัญญามาที่ความเสื่อมอย่างเดียวไม่พิจารณาที่ความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่เนี่ยนะมีกําลังในอันนึกหน่วงด้วยคือเห็นแต่ความแตกดับแห่งรูปแล้วก็เห็นจิตนั่นเอง น, น, นะ เป็นเป็นปัญญาที่มีกำลังมากนะกำลังมาก ท, ที่ที่พิจารณาอย่างนี้แหละชื่อว่าปฏิสังขาวิปัสนาแปลว่าปฏิสังข า, ปาแปลว่าการพิจารณาวิปัสนาก็คือการเห็นแจ้งการเห็นแจ้งโดยการพิจารณาเนี่ยนะเป็นคนขยันพิจารณามากเลยต่อไปว่าการกำหนดสังขารทั้งสองส่วน ให้มีสภาพเป็นอันเดียวกันโดยคล้อยตามอารมณ์นั่นแหละซึ่งมีความน้อมไปในนิโรธเชื่อว่าวิยลักษณะวิปัสนาปัญญาที่พิจารณาเห็นแจ้งในลักษณะที่เสื่อมไปอันนี้เป็นคาถาที่สองนะคำว่าการกำหนดสังขารทั้งสองส่วน ส, ส่วนไหนส่วนอดีตกับส่วนอนาคตให้มีสภาพเป็นอันเดียวกัน คือตอนแรกท่านพิจารณาไอปัจจุบันนี้ใช่ไหมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปนนาตาแล้วท่านก็โยงไปหาส่วนที่เป็นอดีตแล้วก็โยงไปหาอนาคตให้มีสภาวะเป็นอันเดียวกันไม่ต่างกันโดยความสิ้นไปไม่ต่างกันโดยความเสื่อมไปไม่ต่างกันโดยความไม่เที่ยงนะนะแล้วก็น้อมไปในนิโรธน้อมไปในนิโรธตัวนี้คือน้อมไปในในพังขั้นขณะนะน้อมไปในสภาวะที่เสื่อม ตรงนี้ยังไม่ใช่น้อมไปในนิพานานะตรงนี้นิโรธตัวนี้ไม่ใช่หมายถึงนิพานแต่หมายถึงความดับหรือความเสื่อมอย่างนี้ชื่อว่า ว, วัลวยะวย ะ, วยะลักษณะวิปัสนาวยะก็แปลว่าเสื่อมวิปัสนาที่เห็นลักษณะที่เสื่อมก็อย่าลืมว่าตรงนี้มุ่งอธิบายพังคานุปสนานะพูดยังไงก็ตามให้อยู่ในพังคานุปสนาก็แล้วกันต่อไปคาถาที่สาม คาถาที่สามว่าปัญญาพิจารณาอารมณ์ด้วยแล้วตามเห็นความแตกดับไปด้วยนะเห็นอารมณ์คืออะไรก็เห็นขันห้านั่นแหละแล้วก็ตามเห็นความแตกดับแห่งจิตไปด้วยความปรากฏว่าเป็นของว่างอะไรว่างเห็นสังขารสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นของว่างเปล่า ว, ว่างเปล่าจากอัตตาเป็นต้ น, นนะชื่อว่าอธิปัญญาวิปัสนา อธิปัญญาวิปัสนาคาถาที่หนึ่งเนี่ยนะเน้นอะไรปฏิสังขาวิปัสนาใช่ไหมคาถาที่สองวยะลักคนาวิปัสนาคาถาที่สามอธิปัญญาวิปัสนาอันนะมีมีสามวิปัสนานีมีชื่อสามชื่อเห็นไห ม, มก็มาเห็นแล้วนะปฏิสังขาวิปัสนาเห็นนะคาถาที่หนึ่งนะที่สองวายะลักคณะวิปัสนาสาม อธิปัญญาวิปัสนาแต่ว่าทั้งสามอย่างเนี่ยนะโดยอัตตะไม่ต่างกันอะไรอสิ่งที่พิจารณาคือเหมือนกันคือพิจารณาขันท่าโดยอนุปัสนาเจ็ดเหมือนกันเนี่ยนะพิจารณาจิตโดยอนุปัสนาเจ็ดเหมือนกันแต่วิธีการแสดงต่างกันนิดหน่อยอันไหนะ เพราะว่าปฏิสังขาวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาว่าด้วยการพิจารณาวยารักษณะวิปัสสนาก็วิปัสสนาที่เห็นลักษณะที่เสื่อมไปอธิปัญญาวิปัสสนาก็หมายถึงวิปัสสนาที่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งนะหรือการเห็นแจ้งด้วยอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งภิกษุเป็นผู้ฉลาดในอนุปัสสนาสอนุปัสสนาสามมีอะไรอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนา และในวิปั ส, สนาสี่วิปั ส, สนาสี่คืออะไรนิพพานุปั ส, สนาวิราคานุปั ส, สนานิโรธานุปั ส, สนาและปฏินิสคานุปั ส, สนาสามบวกสี่เป็นเจ็ดเท่ากับอนุปัสนาเจ็ดเพราะความเป็นผู้ฉลาดในความปรากฏสามอย่างสามอย่างมีอะไรลักษณะสิ้นลักษณะเสื่อมแล้วก็ลักษณะว่าง ถ้าสังเกตดูนะอย่างคาถาแรกปฏิสังขาเนี่ยนะปฏิสังขานี้เน้นไปที่ตรงไหนลักษณะสิ้นไปใช่ไหมอวยะลักษณาวิปัสนาก็เน้นไปที่ความเสื่อมอธิปัญญาก็เน้นไปที่ว่าง น, นะกลายเป็นว่าภิกษุผู้ฉลาดในอนุปัสนาเจตปรากฏโดยความสิ้นไปปรากฏโดยความเสื่อมไปปรากฏโดยความเป็นของว่างก็ย่อมไม่หวั่นไหวในทิฏฐิทั้งหลาย ไม่วันไวในสัสตตถิฐิไม่วันไวในอุเฉททิฐิไม่วันไวในทิธิหกสิบสองเลยผนการพิจารณานั้นชื่อว่ายานเพราะอัตถาว่ารู้ชื่อว่าปัญญาเพราะอัตถาวารู้ทั่วหรือรู้ชัดเนี่ยนะเพราะเหตุ น, นั้นจึงกล่าวไว้ว่าปัญญาในการพิจารณาเห็นอารมณ์แล้วก็ตามเห็นความแตกดับไปชื่อว่าวิปัสนาญาณอัฏฐสาระหรือเนื้อหาหลักๆสําคัญก็คือ ตามเห็นอารมณ์โดยอนุปัสนาเจแล้วก็ตามเห็นจิตอันนั้นด้วยอนุปัสนาเจด้วยทีนี้อธิบายนะเอายกข้อความที่ผ่านมามาอธิบายก่อนหน้านี้ท่านถือว่าระดับบาลีเป็นคําของภาษาริบุตรที่ท่านเอามาแสดงนี้อัตถกถาอธิบายว่าในคำเหล่านั้นคําว่าการพิจารณาอารมณ์ความว่าการพิจารณาแล้วคือรู้แล้วได้แก่เห็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไปนะถ้าถ้าดูข้อความที่เป็นคาถาเนี่ยนะในหน้า197ย่อหน้าที่สามเนี่ยนะการพิจารณาอารมณ์ที่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุ ด, ด้วยเนี่ยนะอธิบายตรงนั้นออกมาคือพิจารณาอารมณ์เนี่ยทุกอารมณ์นะโดยความสิ้นไปและความเสื่อมไปคําว่าปัญญาในการตามเห็นความแตกดับความว่าปัญญาในการตามเห็นความแตกดับไป แห่งยามที่พิจารณาอารมณ์มาสิ้นไปว่าเสื่อมไปเกิดขึ้นนั้นใดหมายความว่าเอาปัญญาที่พิจารณานั่นแหละมาพิจารณาโดยอนุปัสนาเจตอีกครั้งหนึ่งว่าสิ้นไปเสื่อมไปเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าวิปัสนาญาณ น, นะวิปัสนาญาณ น, นี้ไม่ใช่อ น, นิจังทุกขังอนัตตาแบบธรรมดาเลยใช่ไหมแต่เป็นระดับพิจารณาอารมณ์โดยอนุปัสนาเจแล้วก็ยังเอาปัญญานั้นแหละมาพิจารณาโดยอนุปัสนาเจต คิดอย่างนี้แล้วจ ะ, จะเอาอะไรมาเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเนาะขนาดปัญญายังเห็นโดยอ น, นิจจังเลยจะกล่าวไปยัยถึงอย่างอื่นเล่าอะนะไม่ยึดถือแม้กระทั่งปัญญานะถ้าถ้าคิดจ ะ, จะขึ้นบกก็ยังแบกเรือไหมถ้าคิดจะขึ้นบกก็คงต้องไม่แบกเรือแล้วเนาะอันนี้แหละเรียกว่าวิปัสนาญาณ น, นี้เป็นความอธิบายแห่งกะเทตุกรรมมยตาปุจฉาว่าถามเพื่อจะตอบเองอนะว่าญาณ น, นั้นะ่ะจะมีได้อย่างไรก่อน ต่อจากนั้นยานนั้นจะมีได้โดยประการใดเพื่อแสดงประการนั้นท่านจึงกล่าวว่าคําว่ามีรูปเป็นอารมณ์ก็คือมาจําแนกให้เห็นว่าพิจารณารูปขันธ์เป็นอารมณ์โดยอนุปัสนาเจตกรแล้วก็ละวิปอะไรนะละนิจจะสัญญาเป็นต้นนะละนิจจะสัญญาเป็นต้นแล้วก็ตามเห็นจิตนั้นแหละอธิบายตามลําดับว่าในคําเหล่านั้นคําว่า ข้อว่ารูปารมณตาจิตตังอุปชิตตวะพิชิติความว่าจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมแตกดับไปใช่ไหมจิตหรือปัญญาที่เกิดขึ้นทำกิจพิจารณารูปโดยโดยอนุปัสนาเจตเกิดแล้วก็ดับไปใช่ไหมหรืออีกในหนึ่งมีความหมายว่าจิตเกิดขึ้นในภาวะที่มีรูปเป็นอารมณ์แล้วก็ย่อมแตกดับไปคําว่าพิจารณาอารมณ์นั้นแล้วความว่าพระโยคาวจรพิจารณาแล้ว คือรู้แล้วได้แก่เห็นแล้วซึ่งรูปารมณ์นั้นะ่ะโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไปสิ้นยังไงอั น, นอย่าลืมนะต้องถ้าพูดถึงรูปปั๊บเนี่ยต้องพยายามนึกไปที่สมุดฐานทั้งสี่แล้วรูปแต่และสมุดฐานเนี่ยสิ้นอย่างไรเสื่อมอย่างไรเนี่ยนะอยู่บนพื้นฐานของปริญญาเป็นอย่างดีนะไม่ใช่เออมาไน่เที่ยงแล้วก็หลับไปใช่ใช่ปะ ไม่เที่ยงหรอกเออพอแราวคิดอะไรมากก็มันไม่เที่ยงในเวลาพักผ่อนแล้วอันนี้ไม่ใช่แน่นอนอะนะอนคําว่าย่อมตามเห็นความแตกดับไปแห่งจิตนั้นความว่าอารมณ์คือรูปนั้นอันจิตใดเห็นแล้วโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อ ม, มไปพระโยคาวจรย่อมตามเห็นความแตกดับไปแห่งจิตนั้นด้วยจิตดวงอื่นอันนี้คล้ายๆอะไร คล้ายอคณิกาโตยมกะโ ต, มมะะโตปาติปาติโตในรูปสัตกาณนะคล้ายไหมคล้ายใช่ไหมเพราะในนั้นบอกว่าพิจารณาอาวโยอะไรนะพิจารณาโดยความเสื่อมสิ้นไปตามวัยด้วยจิตดวงที่หนึ่งแล้วพิจารณาจิตที่สองด้วยเอจิตที่ดวงที่หนึ่งด้วยจิตดวงที่สองดวงที่สามด้วยคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันจะไม่รู้จะแบ่งยานไปทําอะไร แต่ที่ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าตรงนั้นเนี่ยพิจารณาแค่อนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมนาแต่ตรงนี้เนี่ยด้วยอนุปัสนาทั้งเจ็ดแล้วก็ยานเนี่ยมีกำลังต่างกันสูงมากตรงนั้นเนี่ยถ้าพูดแบบในหนึ่งเนี่ยนะเป็นแค่ฝึกขั้นฝึกซ้อมแต่ตรงนี้ขั้นเอาจริงะเนยนะ